เด็กหญิงเล็กๆกับเพื่อนของเธออาตมาเล่าเรื่องบัวร้องไห้ให้ผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งในเมืองชนบท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 เลยไม่ได้คิดอะไรมากว่าทำไมลูกสาวจึงอยากใส่นมในจาน ร, รองถ้วยแทนที่จะใส่ในแก้ววันรุ่งขึ้นในช่วงเวลาเดิมหญิงเล็กๆคนนั้นก็มาขอนมใส่จาน ร, รองถ้วยอีกแม่ก็ยอมทำให้ด้วยความดีใจเด็กๆมักจะชอบเล่นเกมเกี่ยวกับอาหารของเขา แม่จึงเพียงแต่ดีใจที่ลูกสาวอยากดื่มอะไรที่มีประโยชน <radically? S 1> ์เหตุการณ์เช่นเดิมเกิดขึ้นในเวลาเดิมตลอดส <optimized S 1> องสามวันถัดมาผู้เป็นแม่ไม่เคยเห็นลูกสาวดื่มนม er จากจานรองถ้วยจริงๆสักทีดังนั้นเธอจึงเริ่มสงสัยว่า เด็กน้อยทำอะไรกันแน่เธอตัดสินใจแอบติดตามดูเด็กน้อยในสมัยนั้นบ้านเกิดทุกหลังยกพื้นสูงจากดินเด็กหญิงตัวน้อยเดินออกไปนอกบ้านคุกเข่าลงที่ข้างข้างบ้านวางจานใส่นมลง และส่งเสียงร้องเรียกเบาๆเข้าไปในใต้ถุนบ้านมืดๆนั้นไม่ช้าไม่นานงูเสือดำตัวใหญ่ยักษ์ก็เลื้อยออกมามันเริ่มเลี้ยนมโดยมีเด็กน้อยนั่งยิ้มอยู่ห่างออกไปไม่กี่นิ้วคนเป็นแม่ไม่สามารถทำอะไรได้ ลูกของเธออยู่ใกล้งูศิลเกินด้วยความสยองขวัญเธอเฝ้าดูอยู่จนกระทั่งเจ้างูานั้นเลียนนมจนหมดแล้วเลื้อยกลับเข้าใต้ถุนบ้านไปเย็นวันนั้น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 มาตามาเห็นด้วยแต่คงไม่ใช่ด้วยคำพูดแบบนั้นนะ